อิคาริตัสสะพัวตอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะปริิพานตูปัายะจตุวีสสังวัจรุตระปัญจเสตาธิกานิโตวสังวัตระ เศรษฐานิอติกันตานิปจุปันลการวาสีนาุสิกายนัมมาศัสสะสะตุมังสินาวารวาสีนาปนาอุตวารูหติเอวังตัสสะปะวัตัวอริยปานาสาสนายูกาดานันนาฉันนาเกตตาปานี สุปนามสันตูพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดื่อง่วันปฏิญญาแห่งองค์สมเด็จพระธิชิตมานารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ลงแล้วสองพันห้ารอยยี่สิบสี่พรรษา ประจยุมบันในสมัยพระีกายนนากสสรทินที่สี่วันพุธวันนี้เป็นปัจจุมบันวาวพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานหององค์สมเด็จพระพูทมีตภาเจ้านั้น <c oughs> มีนัยยะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยแกลการัสนีย นภูทัสสะปุวะตูอรหัตสัมมาสัมพุททัสสะวตูอรหัตสัมมาสัมพุททัสสะนภูทัสสะปุวตอรหตสัมมาสัมพุททัสสะอิปานังพระมังสุขันติ ในโอกาสบัดนี้อาจะมาพาจะสแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิพพานในคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์พระศรทธรมบรมีอิบรรดาธานิสันราธานบุญดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจําปักษ์ คือวันพระขึ้นไปข้ามดืนที่สองทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธมริษทัทั้งหลาย <c oughs> ทุกคนมีความเดิมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนราสัมมาสัมพุทธเจ้าบั็นเหตุยัยงไพากันปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชิดสำหรับวันนี้ตั้งใจจะเทศเรื่องนิพพาน <c oughs> คำว่านิพานานี้ิขแปลว่าดับนี่ท่านจัดไปเป็นหลายประเภทด้วยกันคือคือว่านิพานนี้ดับกิเลสมีบัญญัติขันเหลือบ้างดับกิเลสมีมีบัญญัติขันเหลือบ้างยังมีความดับชั่วคราว บ, บ้างแต่ถ้าว่าในวันนี้จะขอพูดอนิพานมาแต่ฐานที่องค์สมเด็จพระยิาา่ง ม, ม, มารปบรมศา ส, สัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ องค์สมเด็จพระจอมไตรบริสุทธิ์สรรดาทนตระว่านิพา น, นังประมังสุ ข, ขังซึ <c oughs> ่งแปลเป็นใจความว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตระวารื่องนิพพานนี้มีการมีความเข้าใจเผยให้ข้าบรรดาแต่พุทธบริษัทอยู่มากที่องสมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าวตรัสไว้จุดถึงว่านิพา น, นังประมังสุญญงซึ่งแปลเป็นใจความว่านิพานเป็นธรรมบ้านอย่างยิ่ง คำว่าศูนย์ในที่นี้โดยมากศูนย์ที่แปลศัพท์ไม่จะทับสัพท์ให้ศัพท์ว่าศูนย์แต่ความจริงคำว่าศูนย์นั้นก็แปลว่าว่างแล้วก็หมายความว่าบุคคลใดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ต้องว่างในเหตุสามรืการเอหนึ่งว่างจากโลภะสองว่างจากโทสะวามว่างจากโมหะเพราะว่าโลภะกนดีโทสะคนดีโมหะคนดีทั้งสามเรืการนี้เป็นรากเหง้าของความชั่ว ทีเรองกล่าวของกิเลสคำว่ากิเลสก็คือความชั่วความมัวมองของจิตที่เราจิตคิดชั่วกิเลสทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงจัดตั้ชื่อแล้วนับปริมาณไม่ได้แล้องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่ากิเลสโดยย่อยทั้งหมดที่กล่าวรวมแล้วก็จะสามโดยกายคือความโลภความโกรธความหลง ดันั้นสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าถ้าจิตเข้งบุกคัญไดว่างจากกิเลสถึงสามรายการยืนโลภะความโลภไม่มีในจิตโทสะความโกรธไม่มีในจิตโมหะความหลงใน ม, มิ่นไม่มีในจิตอย่างนี้สมเด็จพระธรรมสามพุทมิ่กล่าวว่าเป็นผู้มีความว่างจากกิเลสแล้วจะทำาิาพานางประมังสุญญ์ยังคือนิพายนไปทำว่างอย่างยิ่ง เมื่อเหตุตั้งสามราการนิว่างไปจากใจความสบายใจก็ปรากฏความผ่องใสหุ้นใจก็ปรากฏเมื่อความสบายใจความผ่องใสปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุขก็ตรัสว่านิพานนางประมังสุขขังการเข้าถึงพรนิพานนี่ชื่อเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้ถ้าจะถามกันว่านิพานมีสภาพมีสภาวะหรือไม่มีสภาวะ ตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสกับบรรดาพระที่เข้าไปถามองค์สมเด็จพระภูมีพระภ่าเจ้าอย่างพระโมคคราชเป็นต้นพระโมคคัราชเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพันตีปะกวาร่าข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระค่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวกาคนที่ถึงนี้ผ่านนี้แล้วชื่อว่ามีสภาพสูญใช่ไหม โดยเฉพาะเพราะอย่างยิ่งคือควาว่านิพานนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่อยู่งั้นใช่ไหมพี่โยค่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธกิกาแต่เพว่ามโมคราคะตุมโมฆราชคําว่านิพานนี้เป็นสถานที่พิเศษคือไม่มีการเกิดอีกไม่มีแก่อีกไม่มีเจ็บอีกไม่มีตายอีกไม่ใช่สภาพศูนย์ เดิมทเดียวทั้งหมดกระไรมีความเสรียบเทียบว่านิพพานเหมือนกับควันไ ฟ, น ฟ, นฟนที่ลอยบนอากาศใช่ไหมสมดเด็จพระจอมใจก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วต่อมาพระเอกร้องถามว่าพระนิพพานมีความาเกิดไหมพระพุทธเจ้ า, จา ก, ก็ทรงจัดว่านิพพานที่ชื่อว่าเกิดก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าใช้คำํำว่าเกิดก็ต้องมีคําว่าตายเป็นของคู่กันถ้าหากว่าไม่จะใช้คําว่าไม่เกิดก็สภาวะมีอยู่ <c oughs> ดังสนเามเด็จพระบรมครูยังจัว่าพระนิพพานจัดว่าเป็นทิพพิเศ ษ, ษคือทิพจริงๆนี่มีสองอย่างคือโลกทิพย์ด้ยวยกันเทวโลกแล้อีกโลกหนึ่งที่เราพมลโลกก็เป็นโลกทิพย์เหมือนกันทั้งสองอย่างนี่เกิดขึ้นจากสภาวะอันเป็นทิพย์คือไม่ม่อุพหะเกิดขึ้นโด้กําลังของบุญสําหรับเทวโลกเกิดขึ้นโด้กําลังของทานบ้างของศีลบ้างของอุปจาระสมาธิบ้าง สำหรับโลกพรมที่ไปเกิดได้นั้นก็ต้องอาศัยชานสมาบัติ <c oughs> แต่ว่าโลกคริสต์ตสองเดือการนี้มีการเคลื่อนหมายความทั้งหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องจากไปไปเกิดจุติไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้า ง, างตามไปกฎของกรรมสำหรับปณิพันธ์นี้ถือว่าเป็นที่พิเศษคือไปแล้วไม่มีการเคลื่อนมีความอยู่เป็นปุคคลอารมณ์นิดหนึ่งที่อย่นเป็นความหนักของปณิพันธ์จะไม่มี เอนเจนั้นองค์สมเด็จพปิญญสีทรงตรัส ว, ว, ว่านิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอ ย, ย, ย่างยิ่งท่นี้การทํำยังไงเราจะเข้าถึงนิพานได้ เ, <c oughs> เออง์สมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าคนทุกคนมีความดีพอที่เขาถึงนิพานได้ทุกคนตามเอองค์สมเด็จพระทศกุลทรงตรัสในสมัยเมืออ่อทรงประดิษลงสู่เมืองประตูเมืองสังกัดนคร วันนั้นสมเด็จพระจินนวรส่งแสดงยมุกปติหารพิเศษบรรดาลให้พรมก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเปรตสุรกายไกรสัตนก็ตามต่างคนต่างเห็นกันหมดบรรดาสนรกทั้งหลายก็หมดลงนัวเว้นจากการลงโพทษสกรรมครชั่วคราวสัตว์นรกก็มีความสุข แล้วกวัดนั้นนั่นเองใครพูดกันที่ไหนต่างคนต่างก็ด้ยินต่างคนกต็ต่างก็รู้เรื่องต่างคนต่างรู้ภาษากันเป็นเหตุให้องสำเด็จพระพุทกัล์วันเป็นที่เป็นจิตมุ่งหมายเพื่อปลุกใจผูมบรรดาประชาชนหลายในตอนนั้นมีท่านผู้ถามว่าคนที่ท่านที่จะไปนิพพานได้ดจะเพราะสิวัฏดาหรือพรหมอมนุษย์เท่านั้นใช่ไหม สมเด็จพระจอมไตรยบรมศาสดายกทรงตรัสว่าการนี้ปนิพพานได้ไปไม่หมดคือพรมก็ไปนิพพานได้เทวาดาก็ไปนิพพานได้มนุษย์ก็ไปนิพพานได้สัตว์ก็ปนิพพานได้คําว่าสัตว์ก็ปนิพพานได้ในที่นี้องค์สมเด็จพระจินทศรีสมหมยความว่าสัตว์ทุกตนที่เกิดเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กก็ตามทีนั่นคือคน คนนี่สร้างกรรมที่ไปอุศนสร้างความชั่วถ้ากำลังของกรรมหนักจริงๆพาคนลงนรกไปก่อนเป็นสัตว์นรกเมื่อกรรมเบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งผ่านจากนรกก็มาเป็นเปรตจิตใจก็ยังมีความรู้สึกอย่างคนเมื่อกรรมเบาไปนิดหนึ่งพ้นใหญ่ความเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายความรู้สึกก็มาเปความรู้สึกเท่าคนใจมันใจคน จากกระสุนกายก็มาเป็นสัตติฉานจากสัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่แต่ความรู้สึกความต้องการหุ่นใจก็เท่ากับคนคือจิตเป็นจิตคนที่องค์สมเด็จพระเทสบาลกล่าวว่าแม้แต่เทวดาพรมและสัตว์คนและสัตว์ไฟสามารถปฏิภาณได้นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรตรองตามความเป็นจริงดังจะเห็นได้ว่าตามที่บรรดาพรรมุทธบริษัทชายและหญิงอาจจะเคยได้ยินสุดเสมอ ว่าในสมัยคขั้งหนึ่งสมเด็จพระกู้มีพระพ่ะาพจ้าวของเกิดเป็นพระยายเฮียได้ความจริงจะเรียกว่าเฮียเฉยๆก็ได้แต่ว่าทางเฮียพระบริษัตว์ก็เรียกว่าพระยายเฮียที่เรียกว่าพระยายเฮียก็เพราะว่ามีความเฉลา่ยกว่าเหียธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในวันหนึ่งเทวทัตในสมัยนั้นบวชเป็นดาบวพระพุทธเจ้าเป็นเฮีย ก็ไป จ, ำจํำพรรษาเจริญสมาณธรรมอยู่ ใ, ใกล้ๆกับโรงไม้ที่มีไอเหี้ยอยู่สมเด็จพระบรมครูในเวลานั้นเป็นเหี้ยก็จริงแหลแต่ถ้ว่าใจเป็นคนถึงแม้ว่าสัตว์ทุกคนก็มีสภาพเช่นเดียวกันจะคิดว่ามีาาใจเหมือนคนจ ะ, จะเฉพาะพระบริษัทว์ทไมได้สัตว์ทุกประเภทจะลืมว่าจิตใจก็คือจิตใจคนเพถือว่าจะอยู่ในไบยภู่มวัคกรรมทั่วบังคับ ให้อยู่ในสภาพของสัตว์ยังมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ก็ลงโทษนั่นสำหรับพยายีย่บะาออกจกโกงออกมาเห็นดาบทค <c oughs> มจีวอนสีกลักนั่งหลับตาก็มีความเดือมใสว่าท่านคนนี้มีกำลังใจสูงรำตางเป็นพจนปรากฏเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นเฮียสมเด็จพระธรรมสามิตรเวลาจะไปหาจิน เ็ื่อเดินย้อนมาที่ดาบกุกรมาถึงตรงข้างหน้าก็ก้มศีรษะลงกับพื้นสามครั้งเป็นการแสดงความเคารพในภาากาสาวพัทหลังจากนั้นหลอกพระบรมมังกรโพธิสัตว์อย่างนีไปเวลายกลับมาเข้าที่อยู่ไซก็ทำาชินเมืยนกันทำอย่างนี้อยู่หลายวันปรากฏว่าในการนั้นในวันต่อมาดาบทตุผู้มีทรงภาากาสาวพัต <c oughs> แต่ว่ามีใจเลวกว่าศักดิ์คือว่าเทวทัตเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในป่าที้กินแต่หัวเหมืึกขมันกินแต่รูปไม้ใบไม้และรากไม้อาหารที่มีรสอร่อยไม่ปรากฏ ก, กับตัวเองเลยแต่ว่าเจ้าเฮียตัวนี้มันอ้วนดีนะในใจงานนะ <c oughs> แกน่าก็เอาเหมือนกันนะเจ้าเฮียตัวนี้มันอ้วนดีถ้าเราได้กินยังมีรสอร่อยมาก ดังนั้นเวลาตอนกลางวันที่เหี้ยยังไม่ออกมาแล้ววันที่เหียยังไม่กลับมาจักการหากินดาบทอริชนคนนั้นก็ไปเก็บเอาเครื่องเทศเครื่องแกงเอาเครื่องแกงมาเจ็บห่อเข้าไว้ไว้ในไกรวันรุ่งขึ้นเช้าก่อนที่พยายเหี้ยจะออกมาก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิแต่ว่ากระบอกไว้ในทีวอน ถ้มือกุ่ไม่ใกล้ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าจะเหี้ยตัวนี้มามอกกลมหัวตอนหน้าตักเรามาไรเราจะตีให้มันตายแล้วก็จะแกงกินก็เป็นการยอมเอนอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าพระโุริษัทจะเกิดเป็นอะไรก็มีความฉลาดดังนั้นในเวลาตอนเชา้าองค์สมเด็จพระบรมมลกกั น, นาถซึ่งเป็นพยายี่ห้ โรศิษาออกมาจากโรงตั้งใจจะเข้าไปทำพิธีการดาบทพลยกคนนั้นแต่ว่าสมเด็จพระทรงทันซึ่งเป็นบิยญาเฮียบมองไปแล้วเห็นตาค้อนดาบทหลับไม่สนิทเมื่อนก่อนสมเด็จวจินทวรวจินทวีคิดว่าดาบทคนนี้น่าจะมีการทุจริตคิดไม่ชอบมองแล้วไม่น่าไว้ใจก็หัวเขาเ้าไปในโทรงใหม่ สำหรับเทวทัตกำลังดีตาจ้องมองอยู่เห็นสมเด็จพระบรมครูไม่โผล่ออกมาก็นึกในใจว่าเจ้าเหี้ยตรงนี้ลยย้ำไม่ออกมาตามเคยไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ามาแต่ทาท่าหลับตาไม่สนิทําแบบนั้นเพราะวาระที่สองสมเด็จพระทรงทยก็โผล่ก็จะกคงอีกก็เห็นตาเทวทัตหลับไม่สนิทอีกก็ปุ่เข้าไปใหม่ เจ้าเล่นดาบทเถรวัตเจ็บใจคิดว่าไอ้เจ้าเหียตัวนี้น่ากลมอยรู้ว่ากูจะฆ่ามันถ้าออกมาคราวนี้ไม่ทันที่มันจะถูกเข้าไปจะมาาไม้ฟางกับบานให้มันตายเราจะกินเลื้ยมันก็เป็นการคนดีที่โองสมเด็จพระทองทันเป็นพระยายเฮียโครทิสมาเป็นวรรคที่สามเจ้ามองก็เะเถรวาทเห็นหลับตามันกริก พ อ, อสมเด็จประธานาธามิตรจะ ด, ดึงศีรษะเข้าเทวทัตกับความไม้คว้างไป ท, ทันทีแต่ด้วยความไวเขาองสมเด็จเป็นจีนาสีพระเทวไทัตคว่างไม่ถูกเออเรได้โครงไม้น้ำก็อยู่ใกล้แม่น้ำเมื่อคว่าเอาไม้คว้างไปพระสมเด็จพระจอมตาหลบมันก็ไม่ถูกถ้าเจ้าได้โผล่มาเึงกล่าวว่าสวนะัสดท่านทรงผ้ากายสาวพระคือผ้าย้อม น, น้าฝาดเป็นโทงชัยข้ออรหรัน แต่ว่าจิตใจของท่านนั้นเรวกว่าเราซึ่งเป็นเฮี้ยสอีกทั้งยังระวังเราจะกินเฮี้ยเร า, าเระวเฮี้ยมราจะดาวนะในระเบิดดาพระบรรดาะเบิดดาวพระธรรมบริสัทธ์นั้ น, นรบบรหลายโดยทุนหน้าขึ้นชื่อว่าสัตว์เราจะคิดว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ต่าสามสา ม, ส ม, ส ม, ส ม, สมัยไปนั่นไม่ได้คือจิตใจเป็นคนพระองค์สำเร็จพระทศพลทรงตรัสว่าแม้แต่สตาก็ส า, สา ม, มารถจะปฏิพันธ์ได้นั่เป็นความจริง ว่าถ้าสัตว์ทั้งหมดขจอมระกดพุ่งกรรมเดิมที่ก็ต้องใช้หมดสิ้นแล้วคนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็กลับมาเกิดเป็นคนสามารถบำเพ็ญกุศลเข้าถึงนิพพานได้ในการยี่เข้าถึงนิพพานนิองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมรัสสัจฉณาสมตัดไว้เป็นห้าแบบด้วยกันก็เป็นสีแบบด้วยกันรแบบที่หนึ่งคือสุขวมิมาเสกโก แบบที่สองเตวิโชแบบที่สามชนะพึโยแบบที่สี่ปริสันเทศทัพตะโตสำหรับแบบที่หนึ่งนี่ชื่อง่ายแต่ทายากคือปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรแมืคนคุณภาตาผ้าดำปกตาเดินแบบที่หนึ่งที่จะกล่าวก็ไปกะเหมือนกันบบรรดาท่าพุทธบริษัททั้งหลายทำมาอยู่เวลานี้ถ้าไม่เลิกก็จะนิพพานเหมือนกันแบบที่หนึ่งก็ได้กันหนึ่งทานสองศีล ส, สามภาวนา ําใจแบบ ส, สบายเพราะว่ากิเลสสํามรการนิ้ถาตัดได้เมาลายัยก็ถึงนิพพานเมืนั้นทางกันให้ที่บรรดาแต่พุทธบริษัทนหลายถาวายกับพระคนดีให้แก่คนยากจนคนดีให้แก่คนที่มีควาลมลําบากคนดีให้แก่สัตว์เฉยๆคนดีก็จัดชื่อว่าไปทานแต่การให้ทานถ้าเรามีความมุ่งหมายอย่างอืงอ่นจะพลาดจะนิพพานไปนิดเ่ียวจะก็ไม่มากนะัก ถ้าตีใจเขาบันดาลพระบริสัทต์ตั้งใจโดยเฉพาะเพื่อตัดกิเลสพื่เป็นสมุทเฉติหารคิดว่าการให้ทานตัวนี้เราให้เพื่อตัดลงพระความโลภทิมอยู่ในจิตของเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิเราให้ไปไม่หวังผลตอบแทนใดๆในชาติปัจจุบันสำหรับท่านผู้รับเขาจะนำไปใช้หรือเขาจะนำไปทิ้งมันเป็นเรื่องของเขา แต่กำลังใจของเราตัดเยื่อใหยในฟารมผูกมัดในทรัพย์สมบัติเกินไปเพไม่มีในจิตอย่างนี้สมเด็จประสัมมาสัมพที่ว้าชนะความโลภเป็นการตัดกิเลสตัวสําคัญรา ก, กเข้าในรากโลกแล้วสินะไม่ควรสมบัยในการรักษาสินการรักษาสินนั่นถจงจะว่าตามประเพณีก็ประโยชน์น้อยเต็มทีถ้าพระสอนว่าปานาติปาตาเววันนี้เรากับปาพะ ป, า, ป, า, ปามาเรากับป า, ป า, ยยาไปให้ใช้งานนะ ต่างคนต่างปลาต่างก็ไม่ได้อะไรถ้าจะเยียยาสายกันได้จริงๆแล้วก็จะต้องรู้พื้นฐานของศีลพื้นฐานที่เราจะมีศีลได้มันมีอะไรอยู่บ้างเราจับตัวนี้ให้มันอยู่เพราะศีลเป็นตัวตัดโทสะความโกรธคือตัดกิเลสตัวที่สองถ้าสัจธรรมาทานมันก็ไม่ต่างกันกบนกแก้วหรืคอคุณพรที่ก็สอนพูด ประโยชน์ประมีไ ม, ม่กันแต่ว่าไม่ได้นหนึ่งเลร้อยถ้าเราสายกันให้มีแล้วก็ไปนิพพานได้จังจำไว้ว่าสีลงที่ยังมีขึ้นอกใจได้จะมีเหตุสามเรื่อคือหนึ่งไม่ตาความรักสองกุ น, นาความสงส า, สารสามสั้นโหลดกินดีเพราะของที่เรามีอยู่โดยเฉพาะหมายความของที่เราหามันได้เองโดยชอบธรรมในเรายินดี เราไม่ยินดีในทรัพย์สินของคนอื่นที่เราจะรักจะจะเอาเมื่อโรคความารักษาศินนั้นศินจะทรงอยู่ได้จริงๆไม่จะสักจะรักษาเพื่อหนึ่งมีเมตตาความรั ก, กจิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั่วโลกจะไม่เวรเวินไม่เป็นภัยกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะคบหาสมาคมกับคนอื่นไมนคบหาตัวเราเอง เราจะรักคนอื่นมืนกัเรารักตัวเราเองเว้นภัยมันก็ไม่มีเรื่การในสองจิตคิดสงสารหวังจะเกิดกูได้มีความสุขคิดว่าถ้าเราสงสารตัวเราเท่าไร่เราก็สงสารเขาเท่านั้นเว้นไว้จะเรื่องผิดระเบียบวินัยประเพณีก็ต้อ ง, งดองโทษกันตามประเพณียมูติเจ้าตรงโทษรักลงโทษเพ ร, ะเพพระพววาะความเมตตาปราณีเกรงว่าจะเลวเกิดไปกว่านั้นอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็ความโกรธ ได้ค่อยสามสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์ ส, สินที่จะมีอยู่โดยชอบทำและยินดีเฉพาะ บ, บุคคลคือคนรักที่เรามีอยู่ในชอบทำไม่ร่วมเกินคนรักเขาคนอื่นการรักษาสินทบรนดาแทานพุทธบริษัทเรื่องสาสินในเหตุสามรายการอย่างนี้โทสะความโกรธมันก็ลดลงเพราะว่าทุกวันเมื่อเราตื่นให้มาเราก็ตั้งใจเว้นความโกรธอยู่แล้วความรักเป็นการตัดความโกรธ ความสงสารเป็นการแตดความโกรธความสันโดดเป็นแต่เหตุเป็นแต่เหตุแตกความเดือดร้อนให้ความโกรธเขาบุคคลอืน่นนการสาสนนน ร, ารักษาศินเลยดีองค์สมเด็จพระจีศสีกล่าวว่าค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆทําใจสบายกิเลสคือโภสาก็ค่อยๆลดไปในที่สุดมันก็ยัหมดไปเองนี่เป็นด้านสุขันธ์สโกสามภาวนาใหม่ที่องค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวาว่าเรื่องของภาวนา น้าสุขวิริยะโกนี่มีการสมาบาัติเพื่อนต้นใหม่สูงเรื่องใช้อารมณ์พิพจารณาตั้งแต่คานิกาสมาธิพยายามปกติเราให้ทานคือว่าคนที่เราให้ทานทุกคนเมื่อเขารับทานมาแล้วเขาก็มีความสุขในการบริโภคทานแปลว่าเราผู้ให้ทานก็ดีเขาผู้รับทานก็ดีคนทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัย เกิดขึ้นเมื่อไรก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปทุกวัน ๆ, ๆในที่สุดก็ตายเหมือนกันผู้ให้ทานก็ตายผู้รับทานก็ตายแในเมื่อเกิดขึ้นมาชีวิตอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เราเกิดมาเราต้องทํามาให้กินเราต้องบริหารร่างกายเราต้องมีความหิวความหายปวุจาระปมดสวาบเป็ความหนาวความร้อยเกินไป อาการทั้งหมดนี้มันเป็นทุกข์ <c oughs> เราผู้ให้ผ่านก็ทุกข์ผู้รับทายก็มีทุกข์ไม่มีใครที่มีความสุขเดียวเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเราก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังเข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความทัดร่ายจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงเราก็ทุกข์ระว่งความเรากับเขาต่างคนต่าง ม, มีทุกข์ เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีความจีร่างย่างเยีนเรากับเขาต่างคนต่างตายอยาเป็นคนก็ดีจะเป็นสัยตุดีว่าถูกท่ายก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นด้านวิพพานยายาควบสมถะของสักุขังและทรงสุสันตสุขังปัสสีโกแล้ต่อใจจิตก็คิดมีว่าถ้าหากว่าเรายังหวังความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก็ดี เราต้องเว็นไหวตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดี่สุดไม่ได้ในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริหารศาสดากลา่าวว่านิพพานเป็นสถานที่มั่นคงเป็นแดนอมตะเรายอมเชีย่ยกระทำจิตให้หุดพ้นจากกิเลสเป็นสมนุิเทเบหาลเพือทาลายความโลภเดการให้ทานทำลายความโ ก, กรธ ด, ด้วยสิงที่เมตตามีเมตต า, าบา ร, รมีเป็นที่ตั้ง ทำลายความหลงด้วยปัญญาเห็นจริงว่าโลกนี้เป็นเที่ยงสัตย์เกิดวันแรกก็มาเที่ยงเป็นทุกข์นานตาในที่สุดก็ต้องจิตใจของเรานี้ปลอดปราบจากกิเลสทั้งสามราการคือโลภะความโลภไม่มีโทะะสะความโกรธไม่มีโมหะความโกรธไม่มีอย่างนี้ที่ว่าเป็นนิพพานนางประมังสุญญ์อย่างนิพพานพิพานจะทำว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเดือ ด, ด, ดร้อนคือว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่าง จ, จากความหลง จิต ก, ก็ถึงจุดตรงคือนิพพานนางประมังสุขขังคือนิพพานเปรนสุขอย่างยิ่งในเมื่อเชื้อสายความเล่าร้อนไม่มีจิตเป็นสุขอย่างนี้ทนิว่านิพพ่านดัทกิเลสมีบรรยาคัศเหนือ <c oughs> ไม่เวลายีสามนาทีพูดมากไม่ได้ต่อจะนั่ไปองค์สมเด็จไยจอมใจบริวรสัตสันดาห์ก็ตัดตทั้งด้าตีโชคือวิชาสามอวิญญาหกุลสิมิทายาน ถ้าจะตัดปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานได้รวดเร็วและได้กําไรมากกว่ามีกําลังดีกว่าอย่างที่บรรดาแต่พู้ตรบริษัทงหลายโดยชุนนาได้มโนยิธิต่งคนต่างไปถึงนิพพานแล้วไม่มีความสงสัยในคําสอนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือคนที่ไม่สงสัยในคําสอนพระเจ้านี้ <c oughs> นัานก็มีศีลบริสุทธิ์เขาเรียกว่าปรโสรดาบันละสีทาคามี แต่ต้องระวังให้ดีและให้ศีลมันบริสุทธิ์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลฆ่าแต่ศีลฆ่าบริสุทธิ์เจะเข้าถึงศีรัปตาฬามาตตักตัวนี้ได้ถ้าไม่มีความสงสัยในพระในพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกสวรรค์มีจริงเราเจอสวรรค์แล้วเพราะว่าโลกมีจริงเราเจอพรมโลกแล้วพระนิพพานมีจริงเราเจอพระนิพพานแล้วนรกแปลสุรกายมีจริงเราพบแล้วทั้งหมด เป็นธรวมะทุกคนไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถ้าไม่สงสัยในคําสอนอย่างหนึง่งมีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างหนึง่งจิตรับปริพันธ์เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบั น, นสิกธาคามีมีการปฏิบัติในมโนจิติได้กาไรกว่าสุขวัสสโกมากหลังจากลัคนาบรรดาในพุทธบริษัทมีความมั่นใจในองค์สมเด็จพระผู้มีประภาพ ทุกวันตามเวลาสมควรต่างคนต่างเอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานตามปกติตามเวลาจิตจะว่างจากกิเลสถ้าเราไปอยู่ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงจิตก็ว่างจะ ก, กิเลสบริสุทธิ์จริงๆหนึ่งชั่วโมงถ้าอยู่เครื่องชั่วโมงก็ว่างเครื่องชั่วโมงแต่ละคราวอย่าลืมว่าวันหนึ่งทําได้หนึ่งครั้งวันละหนึ่งชั่วโมงสิบวันสิบชั่วโมงร้อยวันร้อยชั่วโมงพันวันพันชั่วโมง ไม่ชาจิตใจก็จะมีความผู้ชื่นมีความเชื่อมกับการว่าใจกิเลสเป็นสมบทเฉียนแต่หารตายเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นอารับนบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพเทศนามาในนิพพานในคาถ า, า, าก็าาาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงตรงน่นี้ในที่สุดระมเทศน า, า, า, า, า, า, านี้อาตมาภาพขอต่างัติยาดิฐานอ่าคุณบาะีรัตนตรยัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการขอจด น, นดลบรรดาลและบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านมีในความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลและจงเจริญไปด้วยจัตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขภาพะละลาบดิพานหาทุกท่านเพืงปรารถนาเสียงใดขอให้ได้ฉังนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการ อาตมาภาพรับการวิสัชนามานิพัานะในนิพันนิาขาขาก็าขอยุติพระธรมเทศนาลงคงไว้เต่เพียงเท่านี้เอวัง็มีตวยการาชี